รู้วันตายทำไมต้องตายคนทั้งหลายที่เกิดขึ้นมาในโลกส่วนมากลุ้นตายไปกับความมืดบอดตอนยังมีชีวิตก้นหลงมัวเมาสนุกสนานเพลิดเพลินในการอยู่การกินหัวเราะร้องไห้กันไปตามแต่ใจจะประสบสุขทุกข์รักชัง ปล่อยตัวปล่อยใจให้ชีวิตเดินไปตามสัตกก ร, รมโดยไม่คิดสนใจสร้างกรรมดีขึ้นด้วยจิตใจและเรี่ยวแรงตามกำลังสติปัญญาที่มีปล่อยให้คืนวันล่วงไปเหมือนสัตว์ตัวหนึ่งที่เขาเลี้ยงอย่างอ้วนพีแล้วก็นำไปสู่โลงฆ่าช่างหน้าเวทนาเสียจริงๆแล้วก็สรุปเอาเองว่าเป็นเพราะโชคชะตาเป็นเพราะพรหมลิขิต ที่จริงเป็นเพราะการกระทําของตนนั่นเองโคที่ถูกเขานำไปสู่โรงฆ่าไม่ใช่เป็นเพราะความที่เกิดมาเป็นโคแต่เป็นเพราะจิตดวงนี้ไม่ได้สร้างทุนงามความดีไว้ในชาติปางก่อนเมื่อความดีน้อยจึงมาเกิดเป็นโคเป็นหมูหรือเป็นสัตว์อื่นๆในภพภูมิอื่นๆที่ตกต่าถ้าความดีมากก็เกิดเป็นมนุษย์ เทวดาพรมความดีมากสุดได้ถึงวิมุติพระนิพพานเป็นพระอรหันต์ในชาติปัจจุบันชีวิตของสัตว์ทั้งหลายจึงเวียนว่ายในห้วงน้ำคือการเที่ยวเกิดเที่ยวตายไม่มีที่สิ้นสุดเหมือนดวงอาทิตย์ใครจะอ้อนวอนขอร้องให้คงอยู่กับที่ ย่อมเป็นไปไม่ได้เหมือนคนคร่ำครวญร้องไห้อ้อนวอนพระอาทิตย์ว่าอย่าอัสดงเลยผู้ร่ำไห้จักต้องมีน้ำตาเจิงนองเป็นสายเลือดและตายไปประปราบชีวิตของสัตว์ทั้งหลายก็เช่นเดียวกันไม่มีใครหยุดยั้งการตายได้พระพุทธเจ้า และพระอรหันต์สาวกเท่านั้นที่สามารถหยุดการเกิดตายได้ความตายสำหรับท่านเป็นทางแห่งแสงสว่างเพราะท่านตายอย่างสมประสงค์ได้สู่แดนอันเกษมคือพระนิพพานนอกจากนี้ ท่านยังสามารถรู้วันเกิดตายเรื่องในอดิตชาติของท่านเองและคนอื่นความตายกับท่านเหล่านี้จึงไม่ใช่เรื่องยุ่งยากและซับซ้อนเลยแต่สำหรับปุถุชนคนหนาปัญญาหยาบแล้วชีวิตหลังความตายเป็นชีวิตที่ลี้ลับ ยากที่ใครๆจะสามารถไขปริศนาในมุมมืดได้พอพูดถึงความตายก็บอกให้หยุดอย่าได้พูดไม่อยากฟังฟังแล้วมันไม่สบายใจไม่เป็นมงคลออกเสียเลยพระพุทธเจ้าตั้งแต่วันที่พระองค์ตรัสรู้มาก็ทรงทราบแล้วว่าจะปรินิพานในวันไหน แต่พระองค์เลือกที่จะบอกก่อนตายสามเดือนแก่พระอานุ์ว่าอานุ์อีกสามเดือนเราตถาคตจากปรินิพานแม้พระอาหารหันรูป อ, อื่นๆท่านก็สามารถรู้วันตายล่วงหน้าได้เช่นกันสมัยปัจจุบันท่านพระอาจารย์มั่นภูริทัตโต ก็ได้บอกล่วงหน้าแกหลวงตา ม, มหาบัวยาณสัมปันโนว่าอายุ80จะนิพันธ์หลวงพ่อพุทธฐานิโยเขียนใส่สมุดบันทึกว่า78ปีอายุจะต้องสิ้นสุดหลวงปู่พันธ์ปาริสโกบอกวันตายล่วงหน้าได้ถึง2ปี แม้ท่านพระอาจารย์บุญมาทิตเเปโมพระอาจารย์จวนกุลเชษโถพระอาจารย์วันอุตตโมพระอาจารย์สิงห์ทองธรรมวโรก่อนจะรับนิมนต์แล้วประสบอุปัตถวเหตุเครื่องบินตกมรณภาพที่ทุ่งรังสิตจังหวัดปทุมธานีก็ได้บอกเป็นในแก่สานุสิตว่าการเดินทางไปคราวนี้จะไม่ได้กลับมา สำหรับท่านพอ่อหลีธรร ม, มัทโรก็มีบทสนทนาเป็นเรื่องราวการบอกวันเวลาตายล่วงหน้าเป็นอย่างดีผู้เขียนขอนำมาเล่าย่อๆพอให้เข้าใจเหล่าๆกลางคืนวันหนึ่งหลังงานฉลองกึ่งพุทธกาลจบลง นกุูดีบุญนสถานที่วัดอโศการามท่านพ่อลียังร่างกายแข็งแรงกับปรีก่กระเป่าท่านได้ปรารถกับพระอาจารย์แดงรรมราคิโตซึ่งเป็นพระลูกศิษย์เรื่องอายุไขคือการสิ้นสุดแห่งชีวิตว่าท่านแดงอายุห้าสิบห้าปีผมต้องตายชีวิตถึงคราวสิ้นสุด ให้ท่านอยู่ช่วยดูแลหมู่คณะที่วัดอโศเมื่อผมตายไปแล้วขอให้ท่านเป็นที่พึ่งพาอาศัยของหมู่เพื่อนการกล่าวในครั้งนี้ท่านกล่าวก่อนมรณภาพเป็นเวลาหลายปีจนกระทั่งมาถึงปีพศ2504ท่านพลีได้นอนป่วยอยู่ในโรงพยบาบาลพระปิเก้าว ท่านเรียกพระอาจา ร, รย์แดงมาหาและกล่าวย้ำว่าเราอายุห้าสิบห้าจะลาตายแล้วตายยังไงครับท่านพ่อก็ตายขาดลมหายใจนะสิถามได้ก็เราเคยบอกเธอแล้วมีใช่หรือผมลืมไปแล้วแต่เมื่อท่านพ่อทักขึ้นมาผมก็จำได้ทำไมท่านพ่อจะต้องตายด้วย ไม่ตายไม่ได้หรือเราได้รับนิมนต์เขาแล้วเสียดายที่จะอยู่ต่อไปอีกไม่นานเกิดมาได้มีโอกาสช่วยพระศาสนาน้อยเหลือเกินคิดแล้วก็ยังไม่อยากตายเลยเพราะเห็นแก่ประโยชน์คนอื่ น, นส่วนเราเองไม่ได้มีปัญหาในการเกิดการตายเ อ, อ่อรับรับนิมนต์ใครครับ รับนิมนต์เทวดาเขาอารัธนาเออเขาอารัธนาไปทำไมครับเขาอารัธนาไปสอนมนต์ให้ไปไปสอนมนต์อะไระครับช่วยสอนผมด้วยมนต์ก็ไม่มีอะไรมากพรมวิหารสี่ของเรานี่แหละแต่คนอื่นสอนมันไม่ครั้งต้องให้เราสอนมันถึงครั้ง ขอบอกมาอย่างนี้ผมขออารันธนาท่านพ่อไว้อย่าเพิ่งตายเลยเราได้ตกลงรับอารันธนาเขาแล้วอยู่ไม่ได้ท่านท่านพ่อครับไม่มีวิธีอื่นบ้างเลยหรือที่จะสามารถต่ออายุไปได้อีกท่านพหลีเล่าถึงรอยต่อแห่งชีวิตอันมีความเป็นความตายเป็นเครื่องเดิมพันว่า วิธีนั้นมีแต่เรื่องมันผ่านเป็นอดีตไปแล้วเราจะหวนกลับมาเป็นอย่างเดิมไม่ได้หลักธรรมหลักความจริงท่านใช้ปัจจุบันเป็นเครื่องตัดสินพวกเธอจำได้ไหมในสมัยประชุมคณะกรรมการจะสร้างเจดีและโบทเราปรารภให้สร้างพระเดีเสกกรแต่ไม่มีลูกศิษย์คนใดกล้ารับงานนี้ บางคนเขาคิดเอาเองว่าถ้าสร้างเสร็จแล้วเราจะหนีเข้าป่าบ้างตายบ้างในวงเล็บโรดท่านไม่ได้บอกพวกเขาถึงเหตุว่าการสร้างพระเจดีย์จะต่ออายุท่านได้กรรมการที่ประชุมมีความเห็นว่าสร้างโบสถ์ก่อนก็เป็นอันตกลงซึ่งเขาไม่รู้จักจุดลึกในชีวิตของเรา ที่จะมาแก้ไขในสิ่งที่ล่วงเลยมาแล้วมันก็สายเสียแล้วแล้วท่านพ่อหลีกล่ายับว่าก็พวกเธอเก่าไม่ตรงที่คันต่อให้มีโบสถ์ทั้ง2ี่สิบหลังก็ไม่เท่ากับการสร้างพระเจดีย์เพียงหนึ่งองค์ท่านเอ๋ยเมื่อเป็นเช่นนี้ก็หมดหวังในชีวิตของท่านพ่ออีกต่อไป พระอาจา ร, รย์แดงจึงเรียนถามท่านว่าเมื่อตายไปแล้วก็ขอให้ท่านพ่อมาช่วยเหลือวัดอโศการามท่านพ่อหลีก็หัวเราะหืมหอตอบว่าเราก็เป็นหัวเหมือนกันคิดว่าจะขายอะไรไว้ให้เขากินกันชีวิตก็จวนเสร็จแล้วก็ให้พวกที่ยังอยู่หากินกันไปถ้าไม่มีปัญญาก็ช่างมัน และได้เรียนถามท่านอีกว่าท่านพ่อมีคาถาอะไรดีๆก็สอนให้ผมด้วยท่านพลีตอบว่าคาถานั้นมีอยู่แต่สู้ใจเราไม่ได้ให้ตั้งใจบำเพ็ญเพียรให้สำเร็จคุณธรรมเมื่อเราทำความเพียรอย่างสูงสุดเสียสละชีวิตแล้วจะสำเร็จหรือไม่สำเร็จก็ขึ้นอยู่กับวาสนาบา ร, รมีของแต่ละคน นี่เป็นเพียงบทสนทนาสั้นๆแต่เต็มไปด้วยความหมายแห่งผู้ปฏิบัติธรรมได้เต็มขั้นเต็มภูมิชีวิตพระอริยเจ้าจึงเป็นชีวิตที่สมบูรณ์แบบจริงๆท่านไม่ได้นอนรอความตายท่านทราบเรื่องความตาย ตายแล้วไปไหนหลังจากตายจะไปทำอะไรได้ประโยชน์มากน้อยแค่ไหนและคําว่าพระนิพพานเป็นอย่างไรสุขสบายดีไหมท่านรู้ทะลุปรุกโปร่ไม่ต้องคิดหาคำตอบมาถกเทียงให้เมื่อยกรามเพราะพระนิพพานนั้นเป็นสิ่งที่ท่านประสบพบเห็นเองอยู่ ท่านมีชีวิตอยู่ก็เป็นสอุ ป, ปาที่เสสนิพันธ์ตายไปก็เป็นอนุ ป, ปาที่เสสนิพันธ์พระพุทธองค์จึงตรัสว่าพระนิพพานอันผู้บรรลุเห็นได้เองไม่ขึ้นกับการแต่เป็นของรู้ได้เฉพาะตนผู้บรรลุพระนิพพานจะมีชีวิตอยู่ก็ไม่เดือดร้อน ถึงจะตายก็ไม่เศร้าโศกเพราะมองเห็นที่หมายข้างหน้าแล้วความตายเราก็มีได้ชื่นชอบชีวิตเราก็มีได้ติดใจเราจากทอดทิ้งร่างกายนี้ยังมีสติสัมปชัญญะมีสติมั่นเรารอท่าเวลาตาย เหมือนคนรับจ้างทำงานเสร็จแล้วรอรับค่าจ้างในวงเล็บเสร็จกิจพรหมจรรย์รอตายไปอนุปาที่เสสนิพันธ์ ในเรื่องบางอยาพวกเราผู้เป็นปุถุชนไม่รู้แต่จะไปอวดเก่งกว่าท่านผู้รู้จริงไม่ได้อย่างเรื่องท่านพ่อหลีถ้าบรรดาศิษย์เชื่อฟังท่านเสียหน่อยท่านก็ยังจะมีชีวิตที่ยืนยาวกว่านี้ไม่ต้องมาเสียใจทีหลังอย่างนี้ในเรื่องแบบนี้มีหลักฐานยืนยันได้ในสมัยพุทธกาล ก่อนพระพุทธเจ้าจะทรงปรองพระชนมายุสังขารแล้วปรินิพานถ้าเพียงพระอานณ์อารัตนานิมนต์ให้พระองค์ดํารงพระชนอยู่โปรดเวเนยสัตต์ต่อไปพระพุทธองค์จะทรงห้ามเสียสองครั้งครั้งที่สพระองค์จะทรงรับอารัตนานิมนต์และทรงอยู่ต่อไปได้อีกถึง120ปี เพราะทรงบำเพ็ญอิทธิบาทภาวนามาเป็นอย่างดีในสมัยปัจจุบันผู้เขียนขอยกตัวอย่างในปี2540หลวงตามหาบัวยานสัมปันโนท่านป่วยหนักผลที่หมอตรวจที่วัดป่าบ้านตาดที่โรงพยาบาลศรีนครินขอนแก่น ที่โรงพยาบาลเิียรีราชกรุงเทพเป็นที่แน่นอนว่าท่านป่วยเป็นโรคมะเร็งลำไส้ขั้นสุดท้ายหมอบอกว่าท่านจะต้องตายก่อนเข้าพรรษาปีนั้นอย่างแน่นอนท่านได้นิมิตภาวนาในเรื่องนี้มาก่อนแล้วต่อมาในปีเดียวกัน ก็มีคนนิมนต์ให้ท่านอยู่ช่วยชาติบ้านเมืองท่านจึงประกาศตั้งโครงการช่วยชาติโรคได้หายเป็นปริทิ้งเพราะอานิสงส์นั้นเท่าทุกวันนี้แล้วท่านได้ยาดีอะไรมารักษาก็ตอบได้ว่าเป็นยาวิเศษที่เทวดานำมาถวาย โดยบรรดาลผ่านทางมนุษย์เป็นผู้ประกอบยาเทวดาเป็นยาแบบไหนหนอผู้เขียนขอไขปิศนาที่หลวงตาได้เล่าเฉพาะที่โรงน้ำร้อนวัดป่าบ้านตาด ต, ต้นปี 2,550 นี้เองคือตามปกติท่านจะไม่เล่าเรื่องลึกลับลีเรนหลานี้เพราะว่า ท่านว่ามันเป็นประจัตตังรู้เห็นเฉพาะตนการนำออกมาเผยแพ่บางคนอาจไม่เข้าใจเกิดการตำหนิลบหลู่เป็นการก่อกรรมแก่เขาได้ท่านเล่าว่าคราวหนึ่งท่านอยู่ในป่าลึกเพียงรูปเดียวเร่งความเพียรภาวนาอดอาหารเป็นเวลาหลายวัน ร่างกายซูบซีดผอมเหลืองเรียแรงหดหายเหลือแต่ใจอันดวงเด่นมีพลังมหาศาลข้างในหมุนไปด้วยธรรมจักตลอดวันคืนแต่พลังกายเหนื่อยล้าเต็มทีขณะที่ท่านเดินจงกรมพิจารณาธรรมบางประการในยามค่ำคืนเทพธิดาตนหนึ่ง ได้ปรกากฏกายเข้ามานั่งกราบไหว้ข้างบริเวณทางจงกรมเฝ้ารักษาอยู่โดยตลอดด้วยความเป็นห่วงเป็นใยแล้วนางเทพธิดาจึงกราบเรียนท่านว่าเขาเคยเป็นแม่ของท่านในอดีตชาติเกี่ยวข้องกันมานานบัดนี้ได้มาเจอกันดีใจเป็นอย่างยิ่ง เห็นท่านสู้ผอมซีดเซียวก็อยากมาช่วยเหลือด้วยการถวายอาหารทิพย์อันจะทำให้ร่างกายกระปรีก้กระเป่าสดชื่นขึ้นขอให้ท่านเห็นแก่ความสัมพันธ์เก่าในอดีตชาติที่เคยเป็นแม่เป็นลูกโปรดเมตตารับอาหารทิพย์เถิดหลวงตาท่านตอบว่าเวลานี้ เป็นเวลาวิกาลพู์ในวงเล็บเลยเที่ยงรับพัตตาหารไม่ได้อาหารนี้ไม่มีสีไม่มีรสเป็นอาหารวิเศษไม่ต้องกินด้วยปากเพียงไล่ไปตามร่างกายการไล่นั้นก็ไม่ต้องถูกเนื้อต้องตัวก็ถือว่าได้ดื่มดำรสของทิพแล้ว ด่กล่าวสาธยายถึงแม้กระนั้นก็ตามพระพุทธเจ้าทรงสวดว่าเจตนานั่นแหละเป็นตัวกรรมคือการกระทําแม้อาหารเป็นทิพย์ก็ไม่ถูกต้องตามพระวินยัยถึงไม่มีใครรู้เราก็รู้อยู่แก่ใจใจนี่แหละเป็นตัวสร้างเวรสร้างกรรมมิใช่อายวะอื่นใด เมื่อหลวงตาพูดจบก็ก้าวเดินจงกรมต่อไปท่ามกลางความเงียบในไพรสนนางเทพธิดาก็นั่งเฝ้าอยู่อย่างนั้นไม่ยอมเคลื่อนร่างที่เบาเหมือนปุยนุ่นไปไหนเพ่งมองท่านด้วยความห่วงใยและภูมิใจที่มีพระลูกชายเป็นพระอริยสงสาวกของพระผู้มีพระภาคเจ้า ปฏิบัติดีปฏิบัติชอบเพื่อความพ้นทุกข์แล้วนางจึงกราบเรียนท่านว่าพรุ่งนี้เช้าจะนำอาหารทิพย์มาถวายใหม่พอรุ่งเช้านางเทพธิดาได้มานั่งรออยู่หน้ากุฏิหลังน้อยมุงด้วยหญ้ากิริยาเช่มชอยงดงามหาสตรีใดในโลกเหมือน หรือเพียงเทียบเทียมไม่มีได้สตรีที่เขาว่าสวยที่สุดในโลกเป็นนางงามจักรวาลเมื่อเทียบกับนางเทพธิดาแล้วก็เหมือนกับลิงโกกตัวหนึ่งเท่านั้นน่าขำจริงๆโลกมนุษย์เอ่ยเมื่อพระหลงตาเห็นดังนั้นจึงถามนางว่า การที่เธอมันนั่งอยู่หน้ากุฏิเราตั้งแต่เช้าชั่นนี้ใครมาเห็นเข้าเดี๋ยวจะเข้าใจผิดเอาได้ว่าพระอยู่กับผู้หญิงสองต่อสองข้อครหาต่างๆอาจเกิดขึ้นได้นางตอบว่าท่านไม่ต้องเป็นห่วงในเรื่องนี้ไม่มีใครสามารถเห็นฉันได้นอกจากท่านทุนั้น นี่เป็นเทพเนรมิตเพื่อมาถวายอาหารทิพย์แก่ท่านด้ง่ายขึ้นเท่านั้นถวายก็ถวายมาสิหลวงตาตวาดนางเทพธิดาหน่อยๆ น, นางจึงบอกให้ท่านนั่งนิ่งๆครู่หนึ่งการถวายอาหารทิพย์ก็เป็นอันเริ่มขึ้นและจบลงร่างกายของท่านกับปรีก่กระเป่าอย่างเห็นได้ชัด เหมือนปลาขาดน้ำแล้วพรันได้น้ำเหมือนคนหิวกระหายมานานวันพรันมาเจอบ่อ น, น้ำใสสะอาดร่างกายสดชื่นผิวพรรณที่ซีดเซียวกลับผุดผ่องหายเมื่อยหายหิวปฏิบัติภาวนาต่อไปได้อีกหลายวันโดยไม่ต้องมีอาหารตกถึงท้องอยู่เย็นสบายคลายความทุกข์กังวล นี่คืออาหารเทวดายาเทวดาก็คงทำนองนี้เหมือนกันเพราะนั่นเป็นของวิเศษที่มนุษย์ผู้สีน้อยทบน้อยจะไม่มีวันได้พบผ่านเป็นอันขาดเว้นเสียแต่ในนิทานหลอกเด็กเท่านั้นท่านพอ่อหลีเองก็เคยรับอาหารบิณฑบาตจากเทวดาที่ดอยขมอจังหวัดลำพูน ท่านผู้สนใจโปรดติดตามจากหนังสือเล่มใหญ่ในวาระฉลองพระทุตังขเจดีที่วัดอโศการามก็แล้วกันนี่แหละท่านทั้งหลายพระพุทธเจ้าและพระอรหันตสาวกเป็นที่อัศจรรย์อย่างหาที่สุดมิได้ท่านเป็นผู้นำจิตวิญญาณและชีวิตจิตใจของเราผู้ศรัทธาทั้งหลาย เหมือนโคนำจากฝูงที่นำพวกเราผู้พยายามเพื่อทำเป็นเครื่องพนทุกว่ายตัดกระแสน้ำคือกิเลสอันเชี่ยวคราดอันเป็นท่วงน้ำใหญ่มีอันตรายมากข้ามถึงฝั่งอันราบเรียบเป็นภูมิภาคหน้ารื่นรมกษมสารไม่มีเวรัยถึงเมืองอุดมมะบุรีในวงเล็บ อุดมธรรมและนิพพานนานครโดยปลอดภัย